ช่วงนี้ตามทางเดินถนนจะมีสัตว์ตัวเล็ ก, เลกๆเช่นพวกหอยทากหรือว่ากระสุนเพรีนงพวกนี้นะเดินได้เชื่องช้ามากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็โดนรถเหยียบนะโดนรถทับบางทีคนก็เหยียบนะเพราะว่าไม่ทันสังเกตโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือว่าเวลา ค่าก็ตายกันเยอะเหมือนกันสาตวเหล่านี้เนี่ยมันก็มาจากป่านะอยู่ในป่าเนี่ยมันปลอดภัยแต่ว่าพอออกมาจากป่ามาคลานอยู่บนถนนหรือทางเดินเนี่ยแล้วก็เสี่ยงตายมากถึงแม้ว่าพวกเราจะ เดินระมัดระวังบางทีก็อาจจะไม่ทันสังเกตก็เหยียบตายกันไปคนละตัวสองตัว อ, อย่างที่บอกนะสัตว์เหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่ามันอยู่ในป่าก็จะปลอดภัยนะเพราะว่าคงไม่มีคนไปเหยียบย่ำมันในป่าเท่าไหร่จะเรียกว่าป่าเนี่ยเป็นถิ่นของสัตว์เหล่านี้ก็ได้นะแล้วก็สัตว์อีกหลายชนิด ส่วนทางเดินหรือถนนเนี่ยไม่ใช่ถิ่นของพวกเขาก็ทำให้เสี่ยงต่ออันตรายะถึงชีวิตเลยทีเดียวนี่ก็ทำให้นึกถึงนิทานหรือว่าเรื่องเล่านะที่พูะเจ้าได้จัดกับภาษาวกสทรงเล่าถึงนกชนิดหนึ่งนะชื่อว่านกมูลไถนกมูลไถเนี่ยที่เรียกชื่อฉันนั้นเพราะมันชอบหากินอยู่ตาม รอยไถตามทุ่งนาแล้วก็มีนกมีนกมีนกตัวหนึ่งเนี่ยคงจะออกไปหากินนะถิ่นอื่นก็เลยโดนเยี่ยวเนี่ยนะจับเอาไว้ตอนที่เยี่ยวนะจับนกตัวนี้เนี่ยถ้าบินขึ้นฟ้าเนี่ยมันก็ร้องขึ้นมาว่าเนี่ย ไม่น่าเลยนะที่มาหากินนอกถิงนะ่งของพ่อถ้าหากว่ายังหากินในถิ่งของพ่อนี่เหยื่ยวก็จะทำอะไรไม่ได้เดย๋่ยวได้ยินเนี่ยนะมันได้ยินภาษานะของนกมูลไทยเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถูกท้าทายโดยเพราะคำพูดที่ว่าถ้าหากว่า ยังอยู่ในถิ่นของพ่อนี่เหนะยื่อนี่จะไม่มีทางจับได้เหียืยวนี่มันมีความทนงตัวมีความเชื่อมั่นนะว่ามันมีตาที่แหลมคมแล้วก็มีความเร็วมีความสามารถนะไอ้นกตัวเล็กๆตัวนี้มันอยู่ที่ไหนนะก็ไม่มีทางที่จะพ้นจากเงื้อมมือของเหี่ยวได้เหยื่วก็เลยถามว่าเนี่ยถิ่นของเจ้าเนี่ยมันอยู่ไหนนกมูลถ่กบเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละนะชิตรงทุ่งนานี่แหละ ตรงบริเวณที่มันมีรอยไถเนี่ยนะเหยื่อมันต้องการเหยื่อมรัสเซียมาถูกปราโมทนะต้องการพิสูจน์ความสามารถนะว่ากูแน่นะก็เลยนะเอานกมูลไถเนี่ยไปปล่อยไว้นะตรงทุ่งนานกมูลไถ่เนี่ยพอนะมันกลับมาที่ทุ่งนาก็คล้ายๆว่าพูดจาท้าทายนะ ให้เดี่ยวเนี่ยลงมาโชบนะเดี่ยวนี่มันมั่นใจในความสามารถของมันอยู่แล้วนะมันก็เลยพุ่งจากฟ้าเนี่ยลงมาที่ตัวนกมูลไท่เนี่ยกล่าวว่าจะสั่งสอนซะหน่อยนะประาโมทมันพรากฏว่าพอนกมูลไท่เนี่ยล่อนโชบลงมาเกิดจะถึงพื้นดินเนี่ยนกมูลไท่มันก็รีบหลบเข้าไปในในในรูเลยนะในร่อง ในร่องในร่องไถเดียวเนี่ยนะมันเบรกไม่ทันนะมันเบรกไม่ทันก็ตัวมันก็เลยกระแทกกับพื้นดินตายนะนกบูลไถก็เลยลอดตายนะจากการที่ได้กลับมาสู่ถิ่นของตัวเองพูเจ้าเมื่อเล่าเรื่องนิเสรจก็ตักับภาษาวักว่ า, าภิกษุก็เช่นเดียวกันนะถ้าหากว่า ยังอยู่ในถิ่นของพ่อนี่ก็จะปลอดภัยถิ่นของพ่อนี่หมายถึงอะไรนะแล้วพระองค์ก็สาธยายว่าก็หมายถึงสติปัฏฐานนี่แหละคือถ้ามีสติปัฏฐานหรือว่าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าปลอดภัยในถิ่นของพ่อความทุกข์ก็ดีกิเลส ก, ก็ดีมารก็ดีนะไม่สามารถจะมารังควานหรือลบ ก, กวนได้ อันนี้พระเจ้า ก, ก็พูดเพดย์ย้ำนะให้ภาษาวกเนี่ยได้มันจรสติปัฏฐานนะเพราะสติเนี่ยนะโดยเฉพาะที่เป็นสัมมาสติเนี่ยมันสามารถจะรักษาใจให้ปลอดภัยได้ปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามีความรู้สึกตัวนะสัมมาสติเนี่ยนะมันจะเป็นสติที่ประกอบไปด้วยสัมปชัญญะน ะ, นะในสติปัฏฐานสี่เนี่ย หรในะมาสติปฐานสูตรเนี่ยก็จะมีข้อความที่เราสวดอยู่เป็นประจำนะอาตาปีสัมปชานโนสติมาเนี่ยสตัวเนี่ยก็คือคุณลักษณะของสติปฐานเป็นสติปทานนะที่นําไปสู่ความพ้นทุกข์อาตาปีคือความเพียรเผากิเลสนะสัมปชานโนก็คือความรู้สึกตัวนะสติมากคือสตินะสติเนี่ยมันมีหลายชนิดนะ สติที่โจรเนี่ยใช้ในการลักขโมยสติที่ผู้ร้ายใช้ในการปล้นจี้มันก็มีนะถ้าหากว่าผู้ร้ายเนี่ยโจรหรือแม้แต่ฆาตกรเนี่ยไม่มีสติในเวลาทำงานนะก็คงทำงานไม่สำเร็จความระลึกได้ว่าจะต้องนะไปที่ไหนบ้าน ของเจ้าทุกอยู่ไหนนะหรือว่าใครเนี่ยนะที่เป็นเหยื่อหรือเป็นเป้าที่ตัวเองถูกจ้างวานมาไอการทำงานของโจร น, นะของผู้ร้ายเนี่ยมันต้องใช้สตินะในการทำงานให้สำเร็จไม่ว่าจะป้นจะจี้หรือว่าจะฆ่าก็ตามแต่นั่นไม่ใช่สัมมาสติหรือว่าสติปฐานนะเพราะว่ามันเป็นสติที่ ถูกใช้เพื่อสนองกิเลสเป็นสติที่ไม่ไม่ช่วยให้รู้ทันนะในกิเลสนะในโลภะในตัณหาหรือในโทสะที่มันครอบงําหรือบงการจิตใจแต่ว่าสมาสติเนี่ย น, นะมันเป็นสติที่พิเศษนะก็คือมันมีประกอบด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็นําไปสู่ความเพียรเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยนะไอ กิเลสหรืออกุศลธรรมเนี่ยมันก็ครอบงาได้ยากนะผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยบุคคลใดเมื่อมีความสึกตัวกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นส่วนอกุศลธรรมใดที่เกิดแล้ขึ้นแล้วก็ดับไปบุคคลเมื่อมีความสึกตัวความสึกตัวนั้นจําเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่นะเพื่อความตั้งมั่นนะไม่ดับสูญแม่นตรฐานแห่งพระสัตธรรม สัตธรรมในที่นี้ก็หมายถึงคุณธรรมก็ได้หรือว่ า, ากุศลธรรมที่อยู่ในใจเรานะสัตธรรมจริงๆก็อาจจะแปลว่าสัจธรรมก็ได้นะแต่ว่าสัตธรรมในที่นี้ก็หมายถึงคุณธรรมหรือว่ากุศลธรรมที่มันอยู่ในจิตใจของเราคนเราเมื่อมีสติมีความรู้สึกตัวนะความหลงย่อมไม่เกิดนะความลืมตัวนะย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ คนเรานี่ถ้าไม่หลงไม่ลืมตัวนะไอการที่จะทําชั่วเนี่ยากนะเพราะว่าถ้าทําชั่วด้วยเจตนานเนี่ยก็เพราะว่ามันมีโลภโทสะนะีมันมีตัณหามรณะทิฐิครอบงําแล้วพวกนี้เนี่ยเข้ามาครอบงาจิตใจได้ก็เพราะจิตไม่มีสตินะไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาหรือว่าวิถีของจิตเนี่ยไม่ได้เป็นไปในแนวสติปฐานผู้ใหญ่เนี่คือว่าเปรียบ ที่ผู้จ่าได้ใช้เป็นคำอุปมาคืคอว่าจิตเนี่ยไม่ได้อยู่ในในถิ่นนะในดินแดนของพ่อนะดินแดนของพ่อคือดินแดนแห่งความรู้สึกตัวนะแห่งความรู้เท่าทันนะในกิเลสตัณหานะที่มันพุทเข้ามาในใจซึ่งจะช่วยให้จิตใจเนี่ยเป็นอิสระนะผ่องใสนะปลอดโปร่งคนเราถ้าไม่มีสตินะมันก็หลงนะลืมตัว ไม่รู้สึกตัวเวลาเราพูดถึงคนว่าคนที่ไม่รู้สึกตัวคนหลงคนลืมสติเนี่ย Bea, เราอาจจะนึกนึกภาพไปถึงคนที่เมาเมาไ ม, มายคนที่เมาเนี่ยเมาเหล้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้เนือ้อรู้ตัวเท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนเมานะมันไม่ใช่คนเมาเหล้าท่านะที่ไม่รู้สึกตัวนะเมาอารมณ์เนี่ยมันก็ไม่รู้สึกตัวได้ ไม่ใช่เฉพาะความโกรธนะค ว, great, นะความเกลียดนะความเศร้าที่มันทําให้คนเนี่ยลืมตัวนะหรือมันทําให้คนเมานะแม้แต่ความความลืงโลดความดีใจนะอารมณ์อย่างนี้มันก็ทําให้คนเมาได้นะก็คือลืมตัวนะไม่รู้ตัวคนเราพอดีใจมากๆเนะี่ยเช่นพวกที่อ่าถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่1ดีใจมากนะบางทีเดินด้วยความดีใจนเดินะดลงบันไดก็ บกวตกบันไดก็มีนะอารามดีใจมากหรือว่าดีใจขับรถนะดีพอดีใจดีใจไม่รู้ว่าถูกล้อเตลิดลงมาที่หนึ่งนะขับรถก็ใจก็ลอยแล้วนะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าปล่อยให้มันคลองใจไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีใจอารมณ์เสียใจเนี่ยมันก็ทำให้ไม่รู้สึกตัวได้ก็เปรียบได้กับคนเมานะเมาความคิดก็ได้เหมือนกันนะ ม า, าความคิดก็ทำใ ห, ให้ไม่รู้ตัวได้เหมือนกันนะไม่ว่าความคิดนั้นเนี่ยจะเป็นความคิดที่ประเสริฐแค่ไหนนะจะเป็นศาสนาหรือว่าจะเป็นความคิดทางการเมืองนะจะเป็นสีไหนก็ตามเนี่ยนะถ้ามันถ้าไปยึดติดในความคิดนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ตัวนะสามารถที่อดา สามารถที่จะทําร้ายคนที่คิดไม่เหมือนตัวได้หรือว่าคนที่ต่างศาสนากับตัวนี่เราเห็นนะได้บ่อยมากนะตามข่าวตามหน้าโทรทัศนะ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามสื่อโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งในชีวิตประจาวันของเราบางทีเราเราเองด้วยซ้ำนะที่เมาวความคิดเนี่ย โดยพาช่วงที่มันมีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยคนที่เมาความคิดเนี่ยเมาการเมืองนี่ก็เยอะมากนะถึงขั้นทะเลาะบบาแวงกับเพื่อนนะถึงขั้นทำร้ายเพื่อนยิ่งถ้ามันมีอย่างอื่นมาช่วยผสมวงด้วยนะเชนะนะ่นเล่าเนี่ยนะอันนี้หนักเข้าไปใหญ่นะเคยมีนะวันปีที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนสองคน นะกินเหล้านะเลี้ยงเหล้ากินเหล้าเมาไมา้ก็ไม่ถึงกับเมาไม้นะก็เรียกว่าอพอจะได้ที่เนี่ยแล้คุยเรื่องการเมืองอคนนึงก็เจยทักสิณตอนนั้นสมัยนั้นทักษิณยังเป็นนายกอยู่อีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับทักษิณที่จริงเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าพอพอเริ่มจะเมาแล้วนะแล้วแถมไปยุติกับความคิดของตัวเนี่ยมันก็เมาเรียกว่าเมาซ้ำสองเลย เมาทั้งความคิดแล้วก็มีเหล้าเนะี่ยมาช่วยทาให้เมาเข้าไปใหญ่ทะเลาะ ก, กันนะทะเลาะ ก, กันไม่พอนะถึงค่าลงไม้ลงมือปล่อยฝ่ายหนึ่งถูกต่อยนะอีกฝ่ายนึงก็หาไม้มาฟาดไอ้ฝ่ายที่ถูกหามามาถูกไม้ฟาดมันก็โมโหมันเจอขวานได้เอาขวานจามยนะตายนะเพื่อนกันแท้ๆนะเพื่อนที่กินเหล้าด้วยกันเนี่ยก็กลายเป็นว่าตายซะแล้วนะ บางทีไม่ต้องเรื่องการเมืองหรอกนะเอาแค่ว่าความปรารถนาดีพี่เนี่ยนะเห็นน้องเนี่ยเมาเหล้าเ ม, า, มาเมาเหล้าเป็นอาจินเลยนะพี่ก็ขอร้องให้น้องเลิกเหล้าให้น้องก็ไม่ยอมเลิกพี่ก็ชักโมโหนะวันหนึ่งก็เห็นน้องกินเหล้านะก็ด่าน้องนะไอ้ความปรารถนาดีนะแต่ว่าพอน้องเนี่ย มันไม่เป็นไปอย่างที่พี่คาดหวังพี่ก็รู้นะกานการกินเหล้าเนี่ยเป็นของไม่ดีแต่ว่าพอไปยึดติดมากว่ากินเหล้าไม่ดีกินเหล้าไม่ดีนะเห็นน้องกินเหล้าก็ไม่พอใจดา่าด่าไปด่ามาก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเกิดการต่อสู้นะสุดท้ายเนี่ยนะพี่ก็ฆ่าน้องเลยนะ เพราะว่าสู้ไม่ไหวนะไม่รู้จะทำยังไงก็เห็นคัตเตอร์เอาคัตเตอร์ปาดคอเลยนะจากความความปาฏณาาดีนะอยากจะให้น้องเลิกเล่าแต่มันไปยึดติดกับความคิดไปยึดติดกับความปารถนาดีมากมันก็กลายเป็นไม่รู้สึกตัวนะก็เป็นการเมาความคิดและยิ่งมีการต่อสู้กันยิ่งเกิดความโกรธมีการทำร้ายกันนะเจ็บปวดมากเนี่ยมันก็ยิ่งลืมตัวเข้าไปใหญ่นะ ไอ้โทสะที่เข้ามาครอบงำเนี่ยมันก็ทำให้กลายเป็นว่าสามารถจะฆ่าน้องได้ไปว่าน้องว่าน้องเนี่ยไม่มีศีลห้านะแต่ตัวเองเนี่ยกับผิดศีลข้อที่หนึ่งหนักหนักกว่าน้องอีกนะไปว่าเขานะแต่ตัวเองเนี่ยกับทาผิดศีลหนักกว่าคนที่ตัวเองว่าสินะอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะมาเริ่มตั้งแต่การเมาความคิดนะเมาความคิดถึงแม้จะเป็นความคิดที่ดีเช่นมีเจตนาดี นะรู้ผิดรู้ชอบ่กินเล่าไม่ดีแต่พอไปยึดติดถือมั่นมา ก, มากนะแล้วคนที่ตัวเองรักเนี่ยเขาไม่ประพฤติตัวหรือไม่มีพฤติกรรมดีอย่างที่ตัวเองปรารถนาก็โกรธไม่พอใจยิ่งถูกเขาตอบโต้เขาด่าเขาว่านะเขาท้าทายก็ยิ่งโกรธนะนี่เรียกว่าเมาอารมณ์เมาความคิดนะผสมโลนเข้าไปสุดท้ายก็าทาในสิ่งที่ตัวเองเนี่ย ในยาปกติคงไม่คงไม่คิดว่าจะทำเนี่ยอย่ว่าแต่จะทําเลยแค่คิดว่าจะทำเนี่ยคงไม่คงไม่คิดหรอกนะพี่ชายจะฆ่าน้องได้ยังไงนะพี่ชายปรารถนาดีกับน้องอย่าตายไม่อยากให้น้องกินเหล้านะห่วงน้องนะี่นี่มันเป็นได้ขนาดนี้นะเม า, าความคิดเนี่ยซึ่งมันก็เกิดจากความยึดติดนะนะคนเราเนี่ยถ้าไปยึดติดความคิดนะหรือยึดติดอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เมาได้ง่ายๆคือเกิดความไม่รู้สึกตัว ความยึดติดเนี่ยมันทำให้หลงนะไม่ว่าสิ่งที่ยึดติดนะ่าจะเป็นอะไรก็ตามยึดติดในเงินนะมันก็เมานะก็เห็นเงินเป็นพระเจา้าก็สามารถจะทำชั่วนะเพื่อเงินได้ยึดติดในชื่อเสียงในสถานะในตำแหน่งก็สามารถจะทำให้ตัวเองเผลอทาชั่วได้เช่นคอร์รัปชันนะหรือว่าไป ใส่ร้ายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองจะได้เป็นใหญ่ไปเลื้อยขาเก้าอี้เขาไปใช้วิธีต่างๆที่เลวร้ายเพื่อตัวเองได้มาเป็นใหญ่แท น, นคนเราเนี่ยทำชั่วได้เนี่ยเพราะไม่ใช่เพราะว่าเจตเจตนาไม่ใช่เพราะสันดานชั่วนะหลายคนก็เป็นคนดีนะหรือว่าดีแบบปานกลางนะแต่ว่าพอมันมีความยึดติดกับอะไรบางสิ่งนะไม่ว่าจะเป็นเงินทองอํานาจชื่อเสียง หรือความคิดอุดมการมันก็ลืมตัวได้ไง่ายๆเดี๋ยวว่าตายอะไรเลยนะกทั่งบุญเนี่ยนะบุญเนี่ยนะก็เป็นของดีนะแต่ว่าบางคนเนี่ยหรือหลายคนเนี่ยก็เมาบุญนะอยากได้บุญมากนะพะเห็นว่าบุญเป็นของดีนะจะทำให้มีอายุวรรณสุขาระละมีความเจริญนะก็ทาบุญอย่างหนักนะยิ่งมีคนบอกว่าเนี่ยยิ่ง ทุบเทเท่าไหร่นะยิ่งได้บุญมากเท่านั้นก็บางคนก็ทําบุญหมดตัวก็มีไอทำบุญหมดตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่า ด, ดีเสมอไปนะเลยเพราะถ้าหากว่าตัวเองมีครอบครัวมีคนที่ต้องดูแลไอทําบุญจนหมดตัวเนี่ยพอคิดว่าทํามากๆให้มากๆบริจาคมากๆจะได้บุญเนี่ยอันนี้มันก็เป็นความคิดที่ผิดอยู่แล้วเพราะว่าบุญเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจํานวนเงินไม่มีเงินมีแต่ข้าวแค่ ก้อนเดียวนะมันก็มีอ น, นิสง์มากนะอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีนางทาสีเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะทางานเสร็จมาเหนื่อยทำงานตลอดคืนนะจนเช้าก็เรียกต่าตข้าวนะตำข้าวเนี่ยจนเช้าเนี่ยก็ข้าวที่ตำได้ก็ต้องให้กับคนว่าจ้างหรือเจ้านายตัวเองก็ได้แค่เศษข้าวแล้วก็เอาเอ า, เอาลข้าวเนี่ยมา มาผสมนะกลายเป็นก้อนข้าวกลาวว่าจะาไปกินนะตอนเช้าเดินเจอพระเจ้ากำลังบินธบาตผ่านมาด้วยความศรัทธาก็เลยถวายนะได้บุญมากนะเพราะว่าเป็นเป็นทานที่ถวายด้วยศรัทธานะก็ปรากฏว่าทำให้มีอนิสง์นะยิ่งพอได้แสดงธรรมฟังพอได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้านี่ก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบัลเลยนะอันนี้เราว่า เป็นบุญที่มีอ น, นิสง์มากเพราะว่าเกิดจากศรัทธานะมันไม่ใช่เกิดเพราะจำนวนเงินนะแต่เดี๋ยวนี้คนไปเข้าใจว่าเนี่ยบุญนะจะได้มากเนี่ยก็ต้องถวายเยอะๆบางคนก็เลยบริจาคจนหมดตัวทุ่มหมดตัวเลยยิ่งมีลูกยุ ด, ด้วยเนี่ยก็ยิ่งทุ่มเข้าไปเนี่ยอันนี้เรียกาเมาบุญนะเพราะว่าพอหมดตัวแล้วก็เดือดร้อนแล้วนะลูกเมียก็ลำบาก แล้วตัวเองก็กลายเป็นภาระให้กับคนอื่นเพราะว่าบริจาคหมดตัวนี่แล้วมาบุญนี่ก็ไม่ใช่ว่าของดีนะแล้วมันก็เป็นไปได้ด้วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะไปทําบุญกับหลวงพ่อหลวงตาองค์นี้นะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ก็แหกันไปคนเยอะเนี่ยนะอยากจะถวายให้ท่านฉันก็เรียกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนะบางทีก็ถึงขั้นทะเลาะบบาแว้งกันนะเพียงเพื่อว่าจะให้นะให้ ครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงตาท่านได้ฉันของเราหรือว่าได้ทําบุญกับท่านนะถึงท่านเบียดเสียดยัดเยียด mm. ก็กลายเป็นเกิดความหงุดหงิดเกิดความแค้นเกิดความโกรธนะอันนี้ไม่ได้บุญนะนะเพราะว่าเกิดอคุศรจิตนะแต่ว่าที่เป็นเั่นนี้ก็เพราะความเมาบุญนะขึ้นชื่อว่าไอ้ความยึด ต, ติดถือมั่นแล้วเนี่ยนะมันก็สุดท้ายก็ไปลงที่ความไม่รู้เนืรู้ตัว ก็เป็นความเมาชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เ, เ, เ, เราต้องระมัดระวังให้ดีนะจะทำแล้วก็ตามเนี่ยก็ให้มันมีความสึกตัวไว้นะเพราะว่าถ้ามีความสึกตัวเนี่ยนะการที่เราจะทำความดีมันก็เป็นมันก็จะส่งผลเป็นความดีจริงๆนะไม่ใช่เจตนาอยากจะทำดีแต่ลงท้ายนะกลายเป็นการสร้างปัญหาหรือกลายเป็นการไปทำร้ายคนที่เราเจตนาดีนะอย่างเรื่องคนที่ ไปฆ่าน้องนะเพราะเริ่มต้นที่เจตนาดีไม่ใช่เขากินเหล้าถนะิ่นที่ปลอดภัยเนี่ยนะจึงอยากจะพูดว่ามันก็คือสติปัฏฐานแต่บางคนจะสงสัยว่าเส้นทางบุญนะหรือว่าบุญเนี่ยไม่ใช่เป็นถิ่นที่ปลอดภัยเลยนะก็อย่างที่บอกนะว่าไอ้บุญที่มันอาจจะเป็นถิ่นที่ไม่ปลอดภัยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราทําบุญด้วยความหลงทําบุญด้วยความไม่รู้ตัวหรือว่าเมาบุญ แล้วขึ้นชื่อวเมาแล้วเนี่ยนะมันผิดทั้งนั้นแหละแล้วที่เมาก็เพราะความยึดติดถือมัน่นแม้แต่ธรรมะที่พระเจ้าสอนนะที่พระเจ้าแสดงเนี่ยพระองค์ก็ย้านะว่าอย่าไปยึดติดถือมัน่นนะพระองค์ก็เปรียบว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยเปรียบเหมือนกับแพที่มีไว้ข้ามฟากนะแพเนี่ยมีไว้ข้ามฟากเมื่อเมื่อถึงฝั่งแล้วคนฉลาดเนี่ยเขาก็จะเดินขึ้นฝั่งนะตัวเปล่า แต่บางคนเนี่ยนะเดินเมื่อถึงฝั่งแล้วเนี่ยจะแบกแพ้ขึ้นไปด้วยอันนั้นมันผิดวัตถุประสงค์ของแพแล้วนะแพนี่มีไว้ข้ามฝั่งข้ามฟ้าเมื่อถึงฝั่งแล้วก็วางแพไว้ตรงนั้นแหละพะอาจารย์ตอบว่าเนี่ยธรรมมากของพระองค์นะก็เช่นเดียวกันนะเป็นเหมือนพ่วงแพนะที่มีไวเอาไว้ข้ามฝั่งก็คือข้ามอกาสงสารข้ามพ้นห่วงแห่งความทุกข์ เมื่อถึงความพ้นทุกข์แล้วก็ต้องวางให้หมดนะนี่ขนาดที่เป็นธรรมะที่พวงแสดงนะซึ่งล้วนแต่เป็นกุศลธรรมทั้งนั้นนับภาษาอก็เอาอกุศลธรรมเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะถ้าไปยึดติดถือมันก็ยิ่งเกิดความฉิบหายเข้าไปใหญ่นะต้องระมัดระวังนะไอ้ความเมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเมาอารมณ์เมาความคิดนะหรือว่าเมาความดีเมาบุญเนี่ยมันไม่ดีทั้งนั้นรวมทั้งเมาธรรมะเนี่ย อันนี้เคยกล่าวไว้แล้วนะว่าการศึกษาธรรมเนี่ยผู้เจ้าเคยเปรียบเหมือนกการจับงูนะการศึกษาธรรมเนี่ยนะไอค้คำว่างูเหลือสรพิษเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวนะแต่ว่าการศึกษาธรรมเนี่ยผู้เจ้าเคยเปรียบว่าเปรียบเหมือนกับการจับงูนะถ้าจับงูไม่เป็นนะก็เป็นอันตรายเช่นไปจับงูที่ขนดหางงูมันก็แหวกัด จะจับงูต้องจับให้เป็นนะอันนี้ผู้เจ้าเปรียบนะเหมือนกับว่าการศึกษาธรรมเนี่ยถ้าศึกษาธรรมเพื่อยกตนข่มท่านนะศึกษาเพื่อจะได้คนอื่นจะได้มาว่าเราไม่ได้นะเอาไว้เพื่อปกป้องตนเองหรือเพื่อกันไม่ให้คนดา่าหรือว่าศึกษาธรรมเพื่อลาบสักกาละไอ้พวกนี้เนี่ยก็เปรียบเหมือ น, น, นกับการจับงูนะอสารพิษเนี่ยที่หางก็อันตรายแต่ถ้าศึกษาธรรมเนี่ยเพื่อ เพื่อการพ้นทุกข์เพื่อลดเพื่อละขจัดกิเลสในใจนะอันนี้แหละนะมันจะเป็นเปลี่ยเมื่อการจับงูนะอย่างถูกต้องไละทาอย่างนั้นได้นี่มันต้องมีสตินะมันต้องมีความรู้สึกตัวพอไม่งั้นเนี่ยไอความยึดติดในความคิดในวิชาความรู้นะที่รำเรียนมาก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะใช้วิชาความรู้แม้จะเป็นความรู้ทางธรรมเนี่ย ไปขม่มไปว่าไปทำร้ายนะไปด่าผู้อื่นหรือว่าใช้เพื่อยกตนข่มท่านนะซึ่งเป็นการปรุงเป็นการพนาพนาปลนเปลร์กิเลสก็กลายเป็นว่าแทนที่จะได้ประโยชน์นะกลับได้โทษนะนั้นเราจะทำแล้วก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำความดีให้ทารักษาศีลภาวนาสิ่งที่ต้องมีนะก็คือสติมีความรู้สึกตัวนะอันนี้มันเป็นมันเป็นพื้นฐานเลย ถ้าหากว่ามีสติสักอย่างเนี่ยความดีที่ทําก็จะเป็นความดีที่ส่งผลดีนะไม่ประกอบไปด้วยโทษแต่ถ้าไม่มีสติแล้วทานที่ทำนะก็อาจจะกลายเป็นโทษได้อย่างประเภทพวกที่ยกตัวอย่างประเภทเมาเมาบุญเนี่ยให้ทานจนหมดตัวหรือว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนะทำบุญเสร็จแล้วก็ทะเลาะ ก, กันด่ากันนะมันก็มีนะไปทําบุญในวัดเสร็จแล้วก็ทะเลาะ ก, กันเนี่ยอันนี้เรียกว่า ตั้งใจทำบุญแต่กลับได้บาปนะเพราะความเมาบุญนะเพราะไม่มีสติเพราะมีความสึกตัวเพราะฉะนั้นเมื่อมีความสึกตัวเสร็จแล้วมีสติแล้วเนี่ยไม่ว่าทําอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะเกิดมันก็จะกลายเป็นความดีแล้วเกิดผลดีขึ้นมานะหรือแม้แต่ใช้ทําอะไรก็ตามในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมได้อาบน้ําถ้ามีสติการอาบน้ําก็เป็นการปฏิบัติธรรมทันทีนะล้างหน้า รู้สึกตัวเวลาล้างนะ้ำก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะเดินขึ้นบันไดเดินลงบันไดนะถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็เป็นการปฏิบัติธนะนะรรมกินข้าวก็เป็นการปฏิบัติธรรมถ้าเรามีสติหรือว่าเราเอาใจใส่ลงไปในการกระทาใดๆก็ตามนะแต่ถ้าหากว่าไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยแม้จะให้ทานแม้จะรักษาศีลแม้จะภาวนาก็อาจจะพาเข้าลกเข้าพงได้นะ ให้ทานกลับเป็นการสร้างกิเลสรักษาศีลกับเป็นการยกตนข่มท่านดูถูกคนที่มีศีลน้อยกว่านะหรือว่าภาวนาเนี่ยแต่ว่าคิดจะเอานะนอกจากการภาวนาจะไม่สําเร็จและบางทีเมื่อเกิดความหลงอีกแบบหนึ่งนะหลงว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐนะเป็นผู้เก่งเป็นผู้พิเศษนะมีนักภาวนาหลายคนที่หลงเอ่ยแบบนั้นนะยิ่งมีลาภสักการะเข้ามาก็ยิ่ง เรียกว่าหลงแล้วก็ผิดทิศผิดทางมากขึ้นเพราะเทวทัตเองนี่ที่พลาดท่าเสียทีก็เพราะเหตุ น, นี้แหละนะพอภาวนาแล้วเนี่ยมีฤทธิ์นะมีอภิน ญ, ญาก็หลงในฤทธิ์ในอภิญญานั้นจกนกระทั่งอยากจะเป็นใหญ่เหนือพืชเจ้าเพราะเทวทัตนี่เป็นคนที่มีความสามารถในการภาวนานะแต่พอภาวนาแล้วไปติดไงไปติดกับอภิญยาในฤทธิ์ของตัว นะก็เกิดความหลงตัวลืมตัวว่าฉันเนี่ยแน่พระพุจจ้าหนิชลาแล้วควรจะนะมอบนะหน้าที่ให้กับตัวเองได้แล้วสุดท้ายก็พอไม่ได้อย่างที่ต้องการก็จากความศรัทธาในพระเจ้าก็กลายเป็นความเกลียดมนะุ่งทำลายถึงขั้นหมายเอาชีวิตของพระองค์นะคนรอนมันพลิกได้นะเพราะความหลงเพราะความเมาเนะมาในอานาจแต่ที่เมาในอานาจก็เพราะว่า การภาวนาเนี่ยมันภาวนาเนี่ยไม่ได้ภาวนาเพื่อทำให้ลดละหรือเพื่อทาให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาก็กลายเป็น อ, อยากใหญ่อยากโตนะจกนกระทั่งกลายเป็นผู้ที่ทำอนันตริยกรรมนะก็คือทำลาภุญเจ้าันั้นต้องระมัดระวังน ะ, ะขณะเดียวกันก็ให้ให้ตระหนักว่าเนี่ยที่พูะเจ้าตรัสว่าเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยเป็นถิ่นเปรียบเหมือนถิ่นของพ่อที่ทำให้ปลอดภัยเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะปลอดภัยในที่นี้ปนแปลว่าไม่แก่ไม่เจ็บนะไม่ป่วยนะยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยนะสติปัฏฐานมันไม่ได้ป้องกันไม่ให้แก่ไม่ให้ป่วยไม่ให้เจ็บไม่ให้พัดพรากแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจไม่ทุกข์นะใจก็ยังปกติผ่องใสได้หรือยิ่งกว่า น, นั้นนะใช้ใช้ใ ช, ใช้ใช้ประโยชน์จากความแก่ความเจ็บความป่วยนั้นนะให้กลายเป็น อุปกรณ์สอนธรรมได้ะมีหลายท่านทีเดียวนะที่เวลาเจอภัยอันตรายเช่นถูกไฟครอกถูกเสือกัดนะท่านก็ใช้สติปัญญานนี่แหละในการที่รักษาใจให้เป็นปกติด้วยวิธีการเอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็คือดูเวทนาที่มันกำลังบีบคั้นจิตใจอาบีบคั้นร่างกายไฟกำลังเผาทำลายร่างกายเสือกาลังกัดกินนะเจ็บก็จริงนะแต่ว่าท่านก็ ใช้สติดูความเจ็บนะเห็นความเจ็บแต่ไม่เป็นผู้เจ็บเนะี่ยอันนี้เพราะใช้สติปัฏฐานนะภาษาปฏิบัตินะภาษาธรรมเรียกว่าเอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็คือดูเวทนาแล้วบางท่านก็ดูนะเห็นเวทนาก็เห็นไตรักนะจนกระทั่งบรรลุธรรมพ้นทุกข์ได้ถูกเสือกัดนะแต่ว่าลงเอย่ยก็กลายเป็นว่าเป็นบรรลุอรหัตผลนะเพราะว่าท่านได้เห็นไตรักเนี่ยในระหว่างที่ถูกเสือกัด อันนี้พรสติปัฏฐานนะเอาเปลี่ยนร้ายเนะี่ยเหตุการณ์ร้ายให้กลายเป็นดีนะเป็นเครื่องหนุนส่งให้บรรลุธรรมนะเห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์นะจนกระทั่งเข้าถึงพระนิพพานคื อ, อหลุดพ้นจากความยึดติดถือมัน่นะเพราะฉะนั้นก็พยายามนะพยายามรักษาใจาของเราหรือว่าพยายามประคับประคองใจของเราให้อยู่ใ น, ในอำนาจการปกปักรักษาของสติปัฏฐานเอาไวนะ้นะก็จะปลอดภยัยคํานี้เพื่เท่านี้นะครับพระ